เรื่องพระนังคละกุตะเถระพระสาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเถระชื่อพระนังคละกุตะดังได้สดับมามนุษย์เข็นใจผู้หนึ่งรับจ้างผู้อื่นเลี้ยงชีพนุ่งพระเก่าแบกถทยเดินไปภิกษุรูปหนึ่งชวนบวชเขาบวชแล้วเก็บผ้าท่อนเก่าไว้ กิ่งไม้ข้างโรงอาบน้ําเธออาศัยราบสการะซึ่งเกิดขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพอยู่กระสันแล้วใครศึกจึงไปยังคนไม้ที่เก็บผ้าท่อนเก่าให้โอวา่าตนเองว่าเจ้าผู้ไม่มียุริหมดอ ย, ย่างอายเจ้าอยากจะนุ่งผ้าคิริวผืนนี้ศึกไปรับจ้างเลี้ยงชีพหรือเมื่อให้โอวาาอยู่จิตถึงความเป็นธรรมชาติเบา คลายกระสันแล้วการล่วงไปหน่อยหนึ่งเกิดกระสันอีกก็สอนตนเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละท่านก็กลับใจได้อีกเวลาที่กระสันขึ้นมาท่านก็ไปในที่นั้นแล้วให้โอวาตนโดยทํานองนี้แหละภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าไปที่นั่นทําไมท่านตอบว่าไปสํานักอาจารย์โครับ ดังนี้ตั้งแต่นั้นมาอีกสองถึงสามวันเท่านั้นท่านก็บรรลุอรหัตภิกษุทั้งหลายเมื่อจะทำการล้อเล่นกับท่านกล่าวว่าท่านไปยังสำนักอาจารย์ของท่านอีกรอท่านตอบว่าเมื่อกิเลสเครื่องข้องมีอยู่ผมได้ไปแล้วแต่บัด น, นี้กิเลสเครื่องข้องผมไม่มีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ไป พระสสดาทรงตรัสว่านังกะลาะคุตบุตรของเราเตือนตนด้วยตนเองแล้วจึงถึงที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตเมื่อจะทรงสแสดงธรรมได้ตรัสพระคถาว่าเธอจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาดูตนนั้นด้วยตนภิกษุเธอนั้นพึงมีสติปกครองตนได้แล้วจักอยู่สบายตนนั้นและ เป็นที่พึ่งของตนฉะนั้นเธอพึ่งสงวนตนให้เหมือนพ่อ้ามมาสงวนมมาตัวเจริญฉะนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นตน้นดังนี้แหละ